ทีพอจิตเนี่ยไม่ตกไปในท้อแท้แล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตก็เป็นไปอย่างสม่าเสมอก็ควบคุมจิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องรีกรักษาคุณภาพว่า ง, งั้นเถอะไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดแต่รักษาคุณภาพของจิตเหล่านั้นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องรักษาคุณภาพของการเจริญกรรมฐานนะเจริญสติเป็นต้นอย่างต่อเนื่องไปฮันจิตที่ความที่คุมจิตอันบริสุทธ ไม่ให้เกิดความท้อแท้ไม่ให้เกิดความฟุ้งซ่านอนะแล้วก็แสดงว่าเจริญกรรมฐานเป็นไปได้ด้วยดีทีนี้พอเจริญมากๆเข้าอย่างนี้จิตก็บรุคุณวิเศษอนะจิตเหล่านั้นก็มีคุณวิเศษเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการอบรมจิตภาวนาจิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเมื่อจิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องจิตอันนั้นแหละเป็นจิตที่เป็นตะบะ ความเพียร ก, ก็เกิดขึ้นกิเลส ท, ทั้งหลายก็เร่าร้อนคําว่ากิเลสเร่าร้อนนี่ฟังแล้วมันน่าเศร้าใจนะกิเลสอดรนทนไม่ไหวเสียใจเลยอยงนี้หรือเปล่าคำว่ากิเลสเล่าร้อนแปลว่าความเศร้าหมองของจิตก็เลือนหายไปเรื่อยๆถูกกระเทาะ อ, ออกไปจิตที่เศร้าหมองเนี่ยตัวเศร้าหมองเหมือนกับสนิมที่มันอยู่ในทองพันเมื่อมีความเพียรที่พอเหมาะพอสมเป็นต้น ความเศร้ามองที่อยู่ในจิตก็หายออกไปความเศร้าหมองเหล่านั้นก็ลดลงไปทันจิตก็บริสุทธิ์จิตไม่เศร้าหมองเมื่อจิตไม่เศร้ามองจิตก็พองแผ่วไปเรื่อยๆเมื่อจิตพองแผ่วไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะแทงตลอดอารยมรักอันประเสริฐได้อันนี้นี่เราพูดลักษณะของธรรมที่เอตอนนี้เราเรียนปริญญาธรรมก็จรงิงแต่เป็นการปริญทำปริญญาให้อารยมรักเกิดขึ้น เพราวัตถุประสงค์ก็คื อ, อการเข้าไปวิจัยอารมณ์ทุกอารมณ์ก็เพื่อต้องการบรรลุอริยมรรคไม่ได้ต้องการไปติดอยู่ในผมขนเล็บเป็นต้นอะไรหรอกต้องการให้อริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพั้นเมื่อมีการวิจัยอารมณ์ทั้งหลายด้วยอำนาจปริญญาเป็นต้นเนี่ยจึงต้องอวิจัยเพื่อให้อริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพันการวิจัยอย่างไรอริยมรรคจึงจะเกิดขึ้นได้พันก็ต้องมีการศึกษาตัวสภาวะของจิต สภาวะของความคิดได้เป็นอย่างดีพออารยมรรคเกิดขึ้นก็แทงตลอดอริยสัจใช่ไหมสัจจารพิสมยัยทโธสัจจารพิสมัยถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าธรรมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พันอย่างนี้นะพอมีการแสดงธรรมจบธรรมาพิสมัยก็มีแก่สัตว์ก็คือธรรมาพิสมัยกับสัจจารพิสมัยนี่อันเดียวกันเพราะว่าอภิสมัยนี่มีอยู่สี่ประการด้วยกันคือปริญญาพิสมัยปหานาพิสมัย สัจจิกาพิสมัยแล้วก็ภาวนาพิสมัยนั่นก็คือการตรัสรู้อริยสัจด้วยการกําหนดรู้ด้วยการละด้วยการทําให้แจ้งและด้วยการเจริญทีนี้พออริยมรรคเกิดขึ้นอริยมรรคนั้นเป็นสมาธิมานันตริกันยามาหุหมายาว่าเป็นสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นพออริยมรรคเกิดขึ้นอริยผลก็เกิดขึ้นอริยผล ก, ก็ตั้งมั่นในพระนิพพานมันจิตตั้งมั่นเฉพาะในนิโรธคือนิพพานด้วยอํานาจ อริยผลอริยผลที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เป็นธาตอริยบุคคลก็เข้าพระสมาบัติมีความสุขกับนิพพานที่เป็นบรมสันติเป็นสันติที่ เ, เป็นความสงบความระ ง, งับอย่างแท้จริง อ, งอธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าพระสมาบัติย่อมยังบุคคลผู้มีความพร้อมเพียงด้วยพระสมาบัตินั้นให้ตั้งอยู่ในพระนิพพานกล่าวคือนิโรธ หมายถึงว่าพอเข้าพระสมาบัติได้ก็สบายแล้วนนะสุขเอื่นยิ่งกว่าการเข้าพระสมาบัติไม่มีสมัยพุทธกาลนั้นถ้าอริยะทั้งหลายท่านก็จะเข้าพระสมาบัติเนนะฉันเสร็จท่านก็หลีกเร้นไปนั่งอยู่โคนไม้เจริญสมถะคือผู้ที่เน้นสมถะล้วนจะเข้าฌานผู้ที่เน้นวิปัสสนาล้ว น, นจะเข้าพระสมาบัติถ้าเจริญทั้งสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปก็เข้านิโรธสมาบัติ ท่า น, นที่จะเข้าพระสมาบัติก็เจริญวิปัสสนาก็เข้าพระสมาบัติตามที่ตัวเองกําหนดเอาไว้ท่านตกตอนเย็นก็จะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมฟังธรรมเสร็จ ก, ก็หลีกเล้นไปเข้าพระสมาบัติอีกที่ดูว่าพระอริยะสมัยนั้นท่านจะมีความสุขสัมพันธใดเนี่ย น, นั้นท่านก็อยู่โคนไม้อยู่ตามกระถ่อมอยู่ตามตาตามเขาก็จริงแต่ว่าชีวิตของท่านสุขเนี่ยงกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นสุขที่ไม่มีบาปอากุศลเจือปน เป็นความสุขที่มีนิพพานอันเป็นบรมสุขเป็นอารมณ์เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เหมือนกับว่าคิดง่ายๆว่าใครที่เคยมีภาระยุ่งเหยิงวุ่นวายเนี่ยนะปลดเครื่องตัวเองเสร็จก็ยังรู้สึกว่าสบายคนที่มีปัญหาความยุ่งเหยิงทางความคิดด้วยาาอานาจบาปอกุศลทั้งหลายยุ่งเหยิงด้วยวัตฏะทั้งหลายถ้าสงบประงับดับวัตตะแล้วจะสงบสุขการใดพันใจก็น้อม นในพระนิพพานโน้มไปแนวนี้พระนิพพานเข้าพร ะ, ะสมาบัติซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของพระอริยส า, าวกของสมัยพุทธกาลพระภิกษุทั้งหลายท่านก็หลีกเล่นไปเข้าพร ะ, ะสมาบัติกันทีนี้มาดูอินรี่ห้าเนี่ยนะอินสียห้าลักษณะของสัตว์ทินรี์คืออะไร อธิโมกคือน้อมใจเชื่อน้อมไปก็คือน้อมใจเชื่อของสัตทินรีย์เนี่ยนะถัดสินสัตทินรีย์นี่น้อมใจเชื่อน้อมใจเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าน้อมใจเชื่อในความเป็นธรรมดีของพระธรรม Sat. น้อมใจเชื่อในความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เมื่อมีศรัทธาอย่างนี้ก็มีการปฏิบัติเนี่ยนะเพราะว่าสัตทินรี์ดูจากโสตาปฏิยังพระธรรม รายละเอียดของปฏิสัมพัธนธ์เมีอธีบายอย่างกว้างขวางที่อินทริยกถาอินทรียกถานั่นเองส่วนวิริยนินทรีย์นี้ธรรมชาติที่ประคองไว้ประคองด้วยอำนาจสั ม, มประทานคำว่าประคองในที่นี้นี่ไปอะไรไปอุ้มใช่ไหมจะทําไงประคองจะล้มแล้วก็เออคำคำไว้หน่อยยันยันไว้อย่างนี้หรือเปล่าไม่นะคําว่าประคองในที่นี้เป็นชื่อของอะไร สัมมาประธานละบาปอากุศลแล้วก็ พ, กพ่อผูนให้กุศลเนี่ยเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนสตินซีเนี่ยนะธรรมชาติที่ตั้งมั่นอุปทานเนี่ยนะอุปฐานแปล ว, ว่าตั้งมั่นตั้งยังไงตั้งไว้แแมกเหมือนกับวางของใช่ไ้มตั้งไว้ยังไงก็ตั้งไว้โดยความเป็นอสุภะตั้งไว้โดยความเป็นทุกข์ตั้งไว้โดยความเป็นของไม่เที่ยงตั้งไว้โดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะเอ่อ ต่อไปสภาพที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมาธินีไม่ฟุ้งซ่านในที่นี้หมายถึงไม่ฟุ้งซ่านด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเนี่ยนะไม่ฟุ้งซ่านก็เข้าพร ะ, ะเข้าอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสภาวะที่เห็นเห็นของปัญญานี้เห็นด้วยอะไรเห็นอริยสัจด้วยปัญญีถ้าอินซีห้าเหล่านี้ประชมกันก็มีการ ตรัสรู้อริยสัจธรรมเพราะอินทรีทั้งห้าประการนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเพื่อความพ้นจากกองทุกข์อินทรีห้าอันใดก็คือพะละห้าอันนั้นนั่นแหละแต่ระละนี้บอกว่าธรรมชาติที่ไม่ได้หวั่นไหวเช่นสัตตัวสัทธาระละนี่ไม่หวั่นไหวในความเป็นผู้ไม่มีศรทัทธาจิตที่ไม่มีศรัทธาเป็นยังไง ศรัทธาก็คือกุศลใช่ไหมตรงกันข้ามกับศรัทธาก็คืออกุศลอกุศลที่ที่ไม่มีศรัทธาคืออกุศลทุกชนิดอกุศลทุกชนิดชื่อว่าความไม่มีศรัทธาจิตตุบา ท, ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศรัทธาความโลภเนี่ยนะตัวโลภ ก, ก็ทําลายศรัทธานะความโกรธก็ทําลายศรัทธาความลุ่มหลงความฟุ้งซ่านความรําคาญพวกนี้ก็เป็นตัวที่ประทุสล้าย ศรัทธาท่านถ้าศรัทธามีก็ความโลภความโกรธความหลงความเดือดร้อนความรำคาญความฟุ้งซ่านมาทําลายศรัทธาไม่ได้เพราะศรัทธานั้นมีกําลังไม่หวั่นไหวต่อความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาวิทยะล่ะวิทยะก็คือไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้านทีนะมิทะทําอะไรไม่ได้อะไรทาให้ง่วงยังไงใจก็ไม่น้องไปเพื่อจะง่วงเนี่ยนะไม่มีคําว่าง่วงไม่มีคําว่า เบลเบลเลื่อนลอยไ ม, ม่มีมีแต่ความตื่นตัวอย่างเต็มที่พะะนันธีนามิทะนี้ไม่ได้กินอะไรนเถอะไม่วันไวในถีนามิทะส่วนสติภละนี้ไม่ได้วันไวเพราะความประมาทเอประมานี่เป็นยังไงก็คือการปล่อยจิตไปกับอกุศลทุกชนิดชื่อว่าประมาทเมื่อใดใจเมื่อใดมีการปล่อยใจไปในนิวรเมื่อใดปล่อยใจไปในกาลมาคุณเมื่อนั้นชื่อว่า ประมาทก็คือปล่อยให้อกุศลธรรมเนี่ยนะมันกลุ่มรวมกลุ่มกลุ่มเร้าลูกเราอยู่นั่นแหละนี้เรียกว่าประมาทแล้วเพรานก็ไม่ยอมให้จิตตุบา ท, ที่เป็นปฏิปักต่อสตินี้เกิดขึ้นเพราะอากุศลธรรมทุกชนิดชื่อว่าเป็นปฏิปักต่อสติเป็นความประมาทอย่างยิ่งส่วนสมาธิพละนี้ไม่หวันไไวในอุทาจฉะไม่หวันไไวในความฟุ้งซ่านไม่สมนวนว่า เขย่าให้คุณไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยไม่มีอะไรมาเขย่าให้คุณได้เพราะอานุภาพของความสงบส่วนปัญญาภละไม่ได้วันไวเพราะอาวิชชาไม่ได้วันไวเพราะความเขลาไม่ได้วันไวเพราะความหลงงมงายเนี่ยอวิชชานี่ปกปิดความจริงใช่ไหมปกปิดอริยสัจปกปิดอดีตอนาคตปกปิดปฏิจจสมุปบาทท่านปัญญาภละปัญญาที่มีกําลังนั้น เหมือนกับแสงสว่างที่มีกําลังความมืดไม่สามารถที่จะปกปิดปกปิดได้เพราะอนุภาพของแสงสว่างที่มีกําลังอันนก็าศาสตร์ส่องเห็นเลยวันนี้ทุกเนี่ยนะแมันตัดอวิชามันมีกําลังมากกว่ากบอกนี้สบาย น, นะนะเพราะอะไรก็อวิชามันมีกําลังอ่ะนะมันปิดลุยอะไรในโลกนี้นจะมีตัวที่ปกปิดตัวที่จะทําให้มืดให้บอดเสมอด้วยอวิชาก็าไม่มีเขาบอกว่า ความโลภเนี่ยนะมีโทษมีโทษน้อยแต่คลายช้าความโกรธมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะนี้โทษก็มากมากคลายก็ช้าช้าเนี่ยนะกว่าจะเข้าใจอะไรได้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันยากจริงๆเลยนะโดยเฉพาะคำสอนเนี่ยเนี่ยเอาทุกบรรทัดเหล่านี้เนี่ยนะกว่าจะเข้าใจได้แต่ละคำแต่ละคำมันยากมันเย็นเหลือเกินเนี่ยนะเพราะ ว, าวิชามันตกปิดมันท่วมทับจนเนี่ยนะ ก็คิดดูนะวิชามันท่วมทับพอเห็นปั๊บเนี่ยถีน่มันแทรกเลยหาเพอดไม่รู้ท่านว่าอะไรของท่านไม่รู้นะโอ้ย oh, มันง่วงวิชาที่อ่านนะัง่วงที่สุด <c oughs> สมัยแรกๆทําไงด้วยนั่งลอกอย่างเดียวมันง่วงอ่านก็ไม่ได้อ่านไม่รู้จะอ่านให้มันเป็นอะไรวะงั้นอ่านก็อ่านไม่ได้เห็นก็ง่วงตาก็ลายไปหมดเลยก็เลยมานั่งลอกลอ ก, ลอกไปลอกไปลอกมาตัวหนังสือตัวเองก็จะอ่านไม่ออกอีก ไม่รู้ลอกอยังไงก็ไม่ทราบไม่ได้คัดลายมือนะหนักๆเข้าเขียนจดหมาย ก, ก็เขียนไม่ได้แล้วเขาอ่านไม่รู้เรื่องเคยเขียนจดหมายไปขอหนังสือพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าโอ๊ยเนี่ยนะพอดีคนรู้จักกันท่านเลยส่งให้มาเงี้ยถ้าตามจดหมายแล้วไม่ส่งเด็ดขาดาลายมือห่วยมากมาเงี้ยนี่ก็เหมือนกันเอาเขียนธรรมะแรกๆเลยอย่างเงี้ยนั่งลอกลอกลอกลอกหมดสมุดไปหลายเล่มแต่ว่าลายมือก็หนักกระเดิมอีก ส่วนต่อไปนะพ่อพชองเจ็ดใช่ไหมพ่อชองเจ็ดพ่อชองนี้แปลว่าองค์ของผู้ตรัสรู้หรือองค์ธรรมที่ทำให้พระอริยาสาวกสามารถตรัสรู้ได้อะไรสติสามโพชงหนมะสติสามโพ่อชงนี้เป็นยังไงตั้งมั่นคำว่าโพ่อชงนี้แปลว่าสติที่เป็นองค์ให้ตรัสรู้หรือเป็นองค์ที่ประเสริฐเป็นองค์ที่ดีมั ที่ตั้งมั่นแล้วสา ม, มารถทำให้พ้นทุกข์ได้นะตั้งม <oh ั่นให้พ้นทุกข oh ์ไ huh> ด้มันน่าคิดนะเอ๊แล้วลึกยังไงแล้วบรรลุได้เนี่ยน่าคิดนะนยตั้งมั่นอย่างไรแล้วตรัสรู้ได้ตั้งมั่นอย่างไรแล้วพ้นทุกข์ตั้งมั่นอย่างไรแล้วพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายสติตั้งมั่นว่าอย่างไรจึงเลิกโสกปริเทวทุกโธมนัสและอุปาญาตได้อย่างเช่นเรียกเทว่า ความโศกนี่เกิดจากอะไรสรุปนะถ้าตั้งคำถามว่าความโศกเกิดจากอะไรก็เกิดจากวัตถุอันเป็นที่รักเนี่ยนะแล้วสติไปตั้งไว้ยังไงจึงจะเลิกโศกเพราะวัตถุนั้นจะต้องไปตั้งแค่ไหนตั้งว่ายังไงวัตถุนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความโศกอีกต่อไปไนะนั่นน่าคิดเหมือนกันน ะ, ะตั้งไว้ยังไงนะ ตั้งไว้จนเลิกโศกไงปกตินี้คนก็จะโศกเพราะบุตรเพราะภริยาเพราะสามีเพราะครอบครัวเพราะทรัพย์สินกั็นต้นสติไปตั้งไว้ในสิ่งเหล่านั้นยังไงจนวัตถุเหล่านั้นทําให้โศกไม่ได้ทําให้เศร้าไม่ได้ทําให้หมองไม่ได้ทําให้เกิดความขนพองสยองกล้าวให้เกิดความหวาดเสียวเกิดความหวาดกลัวไม่ได้นั่นแหละลักษณะที่เป็นสติที่เป็นองค์ที่จะทําให้เกิดการตรัสรู้ ส่วนธรรมวิจัยก็คือเปาวิจยะปาวิจยะก็คือเลือกเฟ้นเฟ้นพิจารณาอะไรพิจารณานี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมส่วนวิทยะก็ปักกหะใช่ไหมประคองเอาไว้ประคองให้กุศลเนี่ยคือดันกุศลอย่างเดียวว่างั้นเลิกไม่ได้ต้องเลิกเมื่อไหร่ไหมเพราะว่าหันหน้ากลับไปสู่อบายเงี้ยเลิกไม่ได้ต้องต่อไปอย่างเดียวนยีส่วนปีติสามโพ ช, ชองก็บอกว่าแผลไปแผลอะไรแผลก็คืออิ่ม ก็จร <_ và> <desserts> mm ิงๆนะถ้าใครอิ่มใจบ่อยๆเนี่ยมันแถมมีความสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายก็ไม่กังวลกังวายเพราะปีตินี่ทําจิตตชรูปนะทั้งเกิดความอิ่มกายแล้วก็อิ่มใจมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปบินธบาติไม่ได้พยามารเขาไปสิงไม่ให้ชาวบ้านใส่บาตรแม้แต่คนเดียวทีนี้พระองค์ก็กลับออกจากหมู่บ้านพญามารก็มาบอกว่านีมนต์ไปเถอะเข้าไปใหม่เขาจะใส่บาต พระองค์บอกไม่เข้าไปแล้วอาแล้วจะอยู่ยังไงบอกพระองค์นี่จะแผ่ปีติเหมือนอยู่ด้วยเทพชั้นอภัสระพรมฉะนั้นเทวอาพรมชั้นอภัสระนี่อยู่ด้วยปีติฉนันในพระองค์ก็จะอยู่ด้วยปีติชันนั้นนั่นแหละเราะฉะนั้นอยู่ด้วยความเอิบอิ่มทางจิตใจด้วยปีติสัมโพชงนั่นแหละส่วนปัสสัที่สัมโพชงนั้นเป็นสภาพที่สงบสงบก็คือไม่มีความกังวนกวายานะร่างกายก็ไม่กวนกวายจิตใจก็ไม่ กวนกวายจิตเจตสิกสงบประงับไม่กวนกวายเพราะเป็นธรรมชาติที่เบาอ่อนคล่องควรแก่การงานเนี่ยนะส่วนสมาธิก็คือไม่ฟุ้งซ่านอุเบกขาสามโพชงก็พิจารณาหาทางไอ้คำ ว, ว่าหาทางในที่นี้หมายถึงเป็นไปได้อย่างดีอย่างสม่าเสมออ่ะนะไม่ตกไปในฝักฝ่ายแห่งความฟุ้งซ่านเนี่ยนะปฏิสังขานะบางทีก็แปลว่าเพ่งะนะนะเพ่ง เป็นธรรมชาติที่ไม่ตกไปในฝักฝ่ายแห่งความฟุงซ่านไม่ตกไปในฝักฝ่ายแห่งความอะไรหดหู่ทอแท้ก็คือเป็นไปได้อย่างดีส่วนอริยมรรยมร์มัม่งเนี่ยตรงนี้ก็คือโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะอินทรีย์พล ะ, ะโพชงองคมร์เนี่ยเป็นโพธิปัจขยธรรมท่านบอกว่าเป็นรัตนะในาศาสนานี้รัตนะแปลว่าอะไรเป็นแก้วเป็นเครื่องประดับชั้นดีเป็นเครื่องประดับอย่างเลิศ แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มีราคาแพงมากนะเราเห็นแล้วไม่ตื่นตาตื่นใจเท่าไรเลยนะเห็นแล้วก็ง่วงเลยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่เห็นว่าเป็นรัตนะใช่ไหมเห็นว่าเป็นกรวดถ้าเห็นแล้วเฉยๆก็บอกนี่กรวดทัดทัเลยนะแต่ถ้าเห็นแล้วเป็นโอ้เนี่ยเป็นผู้ภารยาเนี่ยที่เขายินดีในพระศาสนาเนี่ยเนื่องจากว่าศาสนานี่มีสติปัฏฐานมีอินทรีย์มีพระมีโพชฌงนี่แหละก็เลยตื่นตัวตื่นใจมีความสุขไม่รู้จักเบื่อในพระศาสนานี้ ก็เหมือนกันนะพระอริยะนี่ท่านเป็นอย่างนั้นนะของเราดูว่าแนวโน้มเกือบจะเป็นอริยได้หรือยัง <c oughs> ก็ดูว่านี่อ่านพวกนี้ไปแล้วนี่ตื่นเต้นจริงๆเลยโอ้โหนี่มีด้วยโดยคําสอนแบบเนี้ยนะก็แสดงว่ามีแนวโน้มจะเป็นอริยะถ้าเห็นแล้วก็รี่ลงรีล ง, ลงมันง่วงด้วยอาหารก็กําลังย่อยพอดีถ้าอย่างนี้ก็พอทําทอะไรก็สมาทานเอาใหม่ <c oughs> ส่วนองค์มัช ก, ก็คือสัมมาทิฏฐีเนี่ยธรรมชาติที่เห็นใช่ไหม เห็นอะไรเห็นโ ด, ดยชอบเห็นโดยดีเห็นตามเป็นจริงเห็นว่านี้ทุกเนนทุกขสมุทัททยเพราะสัมมาทิฏฐิเห็นดีเห็นถูกต้องเห็นกระเสิร์ฐหมายถึงเห็นอริยสัจส่วนสัมมาสังกปานี้อภิโรปะนะก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกยกจิตด้วยอำนาจเนคขมมะวิตกยกจิตขึ้นด้วยอำนาจอภพยาปาทาวิตกยกจิตด้วยอานาจอวิหิงสาวิตก เนี่ยนะไม่ใช่ว่ายกจิตก็ว่านะไม่ใช่สักแต่ว่ายกขึ้นลืมตาไม่ใช่แต่หมายถึงว่ายกเนคขมมะขึ้นยกอัพยาปาทะขึ้นยกอวิหิงสาขึ้น